ได้พากันสมาทานพารัตนรัยแล้วต่อ น, นี้ไปตั้งใจสลับคำแนะนำในการพระปฏิบัติเพื่อกรรมฐ า, านสำหรับคำแนะนำวันนี้จะขอตัดตอนต้นไปก็เป็นการซ้ำกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยโตรง ในการปฏิบัติตนให้เข้าสู่นิพพานนี้อาจจะต้องพูดกันหลายวันหน่อยเพื่อเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติวันนี้จะยกเรื่องสมาธิทิ้งไปและก็จะไม่ปรารกเจริญตใดทั้งหมดเพราะการเดินทางสายเข้าสู่นิพพานต้องเป็นคนมีอารมณ์จิตเข้มแข็ง จะไม่ยอมก้มศีรษะให้แก่กรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างถ้ามิฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะไปเหยื่อคนรกเรื่องที่จะพูดกันถึงนิพพานก็ไม่ต้องพูดกันเราจงรู้ตัวของเราตอนนี้ตามพระบาลีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ถึงความเป็นพระอริยเจ้าขันะสูนาสกีทาคานาคาอรหันต์ตรัสเป็นเขียดไว้ขอบันดาท่านทั้งหลายจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นทางที่ตรงอย่างยิ่งจะได้ไม่เอน็นไม่เอียงไม่มีความสงสัย การนี้อดตัวเพ่รู้มากตามตำราไม่มีความหมายความสำคัญมีอย่างเดียวคือทำจิตให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุเทเธปะหานนี่เป็นความต้องการขององค์สมเด็จตัวสมาสัมพุทธเจาและก็เป็นความต้องการของผมด้วยเพราะได้โปรดจำกันไว้ดี ว่าผมต้องการคนที่มีความปรารถนาในการตัดกิเลสและก็พยายามตัดกิเลสไม่ใช่เพาะกิเลสในเหตุที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสถึงกฎแห่งการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจา้าที่เคยปรารกฏอยู่เสมอ ว่าวันดาพิสุสงในพระพุทธ ศ, ศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีศีลขาสามประการคือหนึ่งอธิสินและิกขาปฏิบัติสินอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งกหมายความเคร่งครัดยอมตัวตายดีกว่าสินขาดมีสินจับใจเป็นอารมณ์ สิ่งใดที่ขัดต่อศีลเราไม่ทำแล้วสิ่งใดที่ขัดต่อทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเราไม่ทำสองอาทิจิตสิกขาพยายามเร่งรัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในรมสงสุดจริงๆคือฌานสีสามอาทิตปัญญาสิกขา มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาสา ม, มารถจะรู้กำหนดการตัดของกิเลสให้เป็นส ม, มุทเฉทสังหารเบื้องสูงในศีลขาสามประการนี้ที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติกันพเพราะคําว่าคลิกขูแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารสมณะแปลว่าสงบกอผู้มีป่านลอยแล้ว นี่ดูน้ำใจของเราว่าน้ำใจของเราเนะี่ยมันเลวหรือ ว, ว, ว่ามันดีอัตนาโจทยาตาหนังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่ไปนั่งเตือนคนอื่นหรือไปนั่งค่อนค่อนขอดค่อนแคะเป็นนามของคนอื่น ถ้าเราไปนั่งค่อยๆ ค, ค, ค่อยแคบเป็นนามบุคคลอื่นนั้นแสดงเราเลวเกินกว่าที่จะเพจะเป็นมนุษย์ได้เป็นมิสัยของสัตว์ในไบโยกรมนี่เป็นเรื่องสำคัญเตือนต้นไปเสมอนี่สาหรับอธิีในสิขาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมิสัยของพระโสดากักพระสกิทาคามี จำให้ดีนะอาทิจิตติศิขาเป็นมิสัยแห้ได้พระอนาคามีอาทิปัญญาสิขาเป็นมิสัยแห้ได้พระอาราหตัตตะผลนี่เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณาตามพระพุทธดีกาข้อนี้เจเห็นว่าการปฏิบัติตน ตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากไม่ยากก็อะไรเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่มีอะไรมากคือเป็นพวกปฏิบัติสิงแย่งเค้คื่อนคัดนั่นเองนี่เราก็หันไปดูองค์ของพระโสดาบัน นึกว่าไปดูสัญญอดของบสุนดาบันเอาสัญญอก่อนสัญญ์ที่เราจะระเข้าถึงบสุนดาบันนั่นก็คือหนึ่งส ก, กายทิทิที่เจรณาว่าตาภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเพราะไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสําหรับส ก, กายติทิข้อนี้เราตัดกันต่เพียงเบาๆเท่านั้น ทำมาตัดเพียงเบาๆก็หมายความมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดไม่เสมอว่าความตายอาจจะมีให้เราได้ทุกขณะไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้มาร็นนี้คิดถึ้งความตายไว้เป็นปกติว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้ เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจสร้างความดีเผื่อว่าเมื่อเราตายแล้วจะได้ไม่ไปตกในอบายภูมินี่สำหรับก า, ายะกิจิข้อตนพระสุนดาบันหรือว่าจะว่าตัดมันยังไม่ถึง หรือว่าขัดสีเฉวิวันส ก, กายาธิภิเษให้มันผ่องใสงเพื่นนท่านั้นเพราะว่าอารมณ์เดิมของเรามันเต็มไปด้วยความโง่เราเห็นจะใบเขาตายรู้แต่ว่ไม่เสียไม่เคยคิดเลยว่าตัวจะตายหาความรู้สึกว่าตัวจะตายไม่ได้มีความระหมาดสร้างความชั่วเป็นปกติ นี่อารมณ์เดิมของเรามันเร็วแบบนี้นี่มาพรมีมีจิตฝวังตั้งใจจะปฏิบัติตันให้เข้าถึงความพปนพระอริยเจ้าก็าต้องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าไม่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความประมาทมันก็มีอยู่นี่เมื่อความประมาทมีอยู่ตายแล้วก็ต้องไปตกสบายอย่าผมแน่ เมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราตายตอนนี้เราจะไปไหนถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดเป็นคนใหม่ไม่ก้นเร็วเต็มทีถ้าเป็นพ่อค้าก็ถือว่าขาดทุนตั้งนี้เพราะอะไรเราลงทุนหนึ่งร้อยบาทค้าขายไปได้เก้าปีสิบปีก็มีทุนอยู่แค่ร้อยบาทถ้าอย่างนั้นเราไม่ทําเลยดีกว่า เป็นอนวญาตก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างเร็วที่สุดเราจะเป็นผู้เข้าถึงกระแสของพระนิพพานคือเป็นพระโสดาบันเป็นระดับน้อยที่สุดเร็วที่สุดอย่าลืมนะเราต้องถือว่าการทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบั น, นเป็นความเร็วที่สุดคือได้ดีน้อยที่สุดที่เราต้องการจะถึง แต่ว่าการกระถึงพระโสดาบันนี้ถือว่าเข้ากระแสพระนิพพานเป็นระยะการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ถึงพระนิพพานโดยไม่ถอยหลังคือไม่กลับถอยหลังมาอีกกรมีพระนิพพานเบื้องตน้นและขอโทษพระโสดาบันเบื้องตน้นด้วยแก่สตาขัดตรงเราจะเกิดระหว่างเทว ด, ดากับมนุษย์หรือระหว่างเทว ด, ดากับลม มาเกิดไปเกิดอย่างในเจ็ดชาติเพราะเป็นมนุษย์ชาติที่เจ็ดเราก็เป็นอราหันต์ถ้าเป็นโกลันโกละมีความพ่ง เ, เครียดคือว่ารวบรัดอารมณ์จิตตั้งอารมณ์จิตไว้มั่นคงกว่าสตักขตุอันนี้เราก็มีจังหวะในการเกิดเป็นมนุษย์เกทวดาสลับกันเป็นสามชาติเราก็เป็นอราหารันต์ ถ้ามีอารมณ์เคร่งครัดหรือว่ามีอารมณ์จิตมั่นคงอย่างยิ่งในองค์ของพระโสดาบันเราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือผปลมคนจากนั้นมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเราก็เป็นพระอรหันต์นี่เป็นอันว่าอาการของพระโสดาบันมีสามอย่างมีสามระดับ ตอนนี้คนที่เป็นปะโสดาบันจริงๆเราเอาอะไรเป็นเครื่องคำนดอันดับแรกเราก็ต้องรู้องค์ของปะโสดาบันตอนนี้พู้ทีสัญญอเราไม่จบอันดับแรกเรานึกถึงสัญญอคือเนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องตัดอารมณ์อารมณ์ที่มันเกาะขันห้าหรือเกาะกายตอนนี้เราไม่เกาะละลอยน้อยๆที่เวล า, างกายนี่มันก็ต้องตายแน่ เราควบคุมมันไม่ได้แน่นอนแม้แต่องค์สมเด็จพระจินวรเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะควบคุมร่างกายไม่ให้ตายได้มันตายแน่เราไม่ยอมเกาะมันเกินไปแต่มันยังเกาะ อ, อยู่หนาพระโซดาบันเกาะกายเหมือนกันแต่ไม่หลงจนถึงว่าไม่คิดว่ามันจะตายคิดว่าจะตายไ้เสมอ มิสัญโยติสองท่านบอกว่าวิธีิจชาเราใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศีลว่าเราพอจะเชื่อได้ไหมที่พระพุทธเ จ, จ้าทรงตรัสว่าศีลเลนะสุขติยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขศีลเลนโภกรสมธาศีเลเป็นปัจจัยทรัพย์สินเยีอกเย็นศีลเนะนิพุติยันติศีเลเป็นปัจจัยขเข้าถึงผริพานใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งห้าประการว่าเราต้องการให้บุคคลทั้งหลายมีศีลเพื่อเราแต่เราล่ะ เป็นผู้มีสินเพื่อผู้คนอื่นไหมก็คําว่าเราต้องการให้คนมีศิลเพื่อคนอื่นมีสิลเพื่อเราความหมายความเราไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเรามาทำร้ายเรามาลักทรัพย์สินของเราแย่งคนรักของเรามาโหกหกมดเท็จพูดเสียดสีพูดคำอยาพูดเพื่อเจือเลีวไหลไม่ไรประโยชน์และเป็นคนไร้สติสมัยถิ่นยะอันที่เราไม่ต้องการ ในเมื่อเราไม่ต้องการเราก็ใช้ปัญญาสิอย่าทำเป็นหมอย่าจะพูดอย่าทำเป็นควายอย่าทำเป็นควายคิดว่าเราไม่ต้องการอย่างนี้และคนอื่นเขาต้องการอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจามีความสาคัญที่สุดถ้าพูดคำหยาบโกหกหดเท็จเสียสี ทำลายกำลังใจของบุงคคลอื่นพูดเพื่อเจอเริเหลวไหลเป็นการเสียดแทงใจของบุงคคลอื่นทำลายความดีของบุงคคลอื่นที่มีอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงลนะการอย่างนี้เกิดขึ้นใครเร็วเราผู้ปุตนั่นแหละเลวที่สุดเพราะอะไรเจริเร็วเขาไม่วบคุมวาจาว่าให้บี นี่ทางกายละ่ะถ้าหากว่าวาจะไม่ดีเป็นคนเลวถ้ากายไม่ดีค่าสัตว์ตัดชีิตรักขมลของเขายื้อแย่งความรักถ้าเราเลวอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ต้องการเราไปตามเข้าว่า mm. จารว่าเราเลวเกินกว่าที่เราจะคิดเขาจะคิดว่าเป็นคนที่มันเลวเกินไปนี่สำหรับการไว้สติสัมปชัญญะเป็นของดีไหม การดื่มสุราแล้วมนไรเป็นปัจจัยให้ไหรสติสัสมปชัญญะมันก็ไม่ดีคนไม่มีสติสัมปชัญญะนี่สัตว์เลี้ยงมีค่ามากกว่าเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นสัตว์รวงความว่าคนที่มีกายชั่วมีวาจาชั่วมีสติชั่วอย่างนี้มีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยง เพราะอะไรเราะสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์ก็นอยู่ในใาบาย่อคูมันไม่ประจักษ์ว่ามีอารมณ์รู้พิเศษมันยังต้องโทษอยู่แต่เราเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวว่าถ้าใครทำความดีเราชอบ <c oughs> ใครพูดดีเราชอบแต่ว่าเรากับทาชั่วเพื่อเขาเราพูดชั่วเพื่อเขา อย่างนี้เรามีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยงหรือจะกล่าวไปทีก็มีค่าตัวไม่เท่ากับสัตว์ทั่วไปในโลกเลวกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่หรือมิเช่นนั้นก็เกิดเป็นคนมิเช่นนั้นก็เกิดเป็นเทวดาแต่คนที่มีกายชั่ววาจาชั่วมีอัตติชั่วตายแล้วลงอนัตต ถ้าชั่วมากล ง, งเเทวเวทีมาหานรกนี่เราก็ลองเทียบกันว่าคนประเภทนั้นกับสัตว์รัจานเนี่ยใครจะดีกว่ากันนี่เป็นอนุวัตคนประเภทนั้นมีความดีไม่เท่าสัตว์รัจานใครต้องการบ้างพวกเรามีความต้องการไหม้าการอย่างนี้ใครต้องการบ้าง ถ้าต้องการก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ต้องการคนที่เกิดเป็นคนแล้วแต่ว่าทาตนเพื่อความเป็นสัตว์แะเร็วกว่าสัตว์เป็นอันว่าเราต้องประนามตัวแบบนี้อัตนาโจทย์ยตานาเพื่อพระพุทธเจ้าทรงเตือนลัสนักนี้ผู้โจษเสมอว่าจงเตือนตนรู้ตนอยู่เสมอ ระเบียบมีวินัยมีสำนักนี้ท่านเลวแล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็จงอย่าไปอยู่ที่ไหนถ้าที่ดีไม่มีใครเขาคบเขาฟังธรรมะกันวันละสีเวลาแต่ว่าถ้ายังเลวอยู่แสดงว่าสัตว์ทีละชานดีกว่าเราเยอะ นี่เราต้องเป็นนามตัวแบบนั้นเราอย่าไปนั่งมองคนอื่นเขามองตัวเรานี่เตือนกันทุกเย็นใครมีความรู้สึกตัวบ้างไหมว่าเราเลวถ้าเเลวแล้วไม่เห็นว่าเลวก็แสดงว่าเรารวมอยู่กับพระเทวทัตใจแน่นอน นี่เราต้องบรร n ามตัวเราแบบนี้คนดีเน่ยเขาไม่ไม่ยกย่องตัวเองคนดีเขาบรร n ามตัวเองพระพุทธเจ้าบอกอัตนาโจทย์ยตานาวจงพยายามประนามตไนไว้เสมอโจดกล่าวโทษมองหาความผิดของตัวไว้เป็นปกติอย่าไปหาความดีในเมื่อมันหาความผิดไม่ได้แล้วมันก็ดีเอง ถ้าไม่มีช่วรมันดีนี่เป็นอันวา่าศีลพัตะปรามาตองค์ะโสดาบันคือหมายความสัญโยก์ที่เรายะต้อตัดนึกถึงไ ม, ไม่ไม่อะไรในชีวิตเกินไปรู้ว่าเราจะต้องตายสองไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามรักษาสิ่บริสุทธ นี่เราจะเห็นว่าพระโสดาบันมีเท่านี้ตอนนี้เราก็หันไปทีถึงองค์เมะ่กี่เป็นสังโยชน์บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างนี้หนึ่งเคารพในพระพุทธเจา้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์แล้วก็สี่มีศีลห้าบริสุทธิ์ สำหรับเครวัตสำหรับพระมีสินสองรอยี่ิเจ็ดบริสุทธิ์สำหรับเมรมีสินสิบริสุทธิ์ถึงพระสกิทาคามีก็เหมือนกันมีเท่านี้ตอนนี้สมมติว่าจะถามว่าคนที่เขาไม่เคยเจริญพระธรรมทานแต่ชอบสวดมนต์เป็นปกติมีสินห้าบริสุทธิ์ จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นประโสูดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์บทสวดมนต์ทุกบทมีค่าเท่ากันคือสนรเสริญความดีของพระพุทธเจา้าสนรเสริญความดีของพระธรรมสรรเสริญความดีของพระอริยสงฆ์ แล้วเขามีศินบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ตองระวังนิดหนึง่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกพระโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนนี่แต่บุคคลผู้นั้นเขามีกําลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึง่งว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจ้ายอมเคารพในประธรรมยอมเคารพในพระสงฆ์ มีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสองค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้ า, ารมใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นประโสดาบันแน่นี่อารมณ์ของประโสดาบันมีเท่านี้พระสกิธาคามีก็เหมือนกันนั่นเราก็จะลืมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นประโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะ ยังอยากแต่งงานยังอยากรกวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปดว้วยวดูองค์อำว่าโสดาบันติว่ามีอะไรบ้างในยะพอะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาธิศีณสิกขาคือมีศีลยิ่งเท่านั้นเองเพราะโสดาคาสิกิทาขามีความสำคัญอยู่ที่ศีล เขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศิลปเขารวยเขาไม่ขา่าใครเขาหลงรักสงสวยลงงามเขาก็ไม่ลืงความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของประโสดาบันและการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นประสดาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องตน องสมเด็จพระทศพงกล่าวว่าเต็มไปด้วยอธิสิกศิลา์สำหรับการพูดในวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้เพราะว่าหมดเวลาต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอัยาสายะใสเรื่องกว่าจะได้ยินท่านญาณบอกหมดเวลา